พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเราไปตลอดแต่ ร่างกายนี้อยู่กับเราเพียงชั่วคราวเราจึงไม่ควรให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าการให้ความสำคัญกับใจเพราะความสุขของใจก็มีน้ำหนักมากกว่าความสุขของร่างกาย ความทุกข์ของใจก็มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของร่างกายความสุขหรือความทุกข์ของใจจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆส่วนความสุขความทุกข์ของร่างกายก็จะอยู่เพียงชั่วคราว พอร่างกายนี้ตายไปความสุขความทุกข์ที่ได้รับจากร่างกายก็จะหมดไปแต่ความสุขกับความทุกข์ทางใจนี้ยังจะอยู่กับใจต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาดับความทุกข์ใจกัน สร้างความสุขใจกันดีกว่าไปสร้างความสุขทางร่างกายไปดับความทุกข์ทางร่างกายพอทางร่างกายนี้เป็นสุขความทุกข์ที่ชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วก็หมดไปเราจะทำให้มันดีขนาดไหน หรือเร็วขนาดไหนให้มันสุขขนาดไหนให้มันทุกข์ขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหมดไปแต่ความสุขทางใจหรือความทุกข์ทางใจนี้มันไม่หมดไปกับความหมดไปของร่างกายร่างกายตายไปแล้วความสุขใจหรือความทุกข์ใจ ก็ยังจะมีอยู่ต่อไปความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี้ก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นมาความทุกข์ใจพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ว่าเกิดจากตัณหาความอยากคือเกิดจากกามทันหาความอยากในกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรส ผลทภะความอยากมีอยากเป็นคือภวะตัญหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภวะตัญหาตัญหาทั้งสามนี้เป็นเหตุที่จะให้ใจมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีร่างกายนี้หรือไม่มีร่างกายนี้ใจก็จะต้องทุกไปกับตัณหาทั้งสามนี้เสมอเพราะตัณหาทั้งสามนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปตัณหาคือกา마ตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้ก็ยังอยู่กับใจต่อไป สร้างความทุกข์ให้แก่ใจต่อไปด้วยการตักดันให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่เพราะยังอยากที่จะเสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดธ้าการที่จะเสพการมคุณห้านี้ได้จำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองการที่จะมี ตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องมีการเกิดแต่เมื่อมีการเกิดแล้วก็จะมีความแก่ตามมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมามีความตายตามมามีการพัดพรากจากกันตามมาซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเวลาแก่ก็ทุกข์กัน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์กันเวลาพัดพรากจากกันก็ทุกข์กันอันนี้ทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งใจแต่ตัวที่สําคัญก็คือทุกข์ทางใจถ้าไม่มีความอยากถึงแม้ว่าจะมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพัดพรากจากกัน จะไม่มีความทุกข์ทางใจจะมีความทุกข์ทางร่างกายก็เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นนี่คือต้นเหตุของความทุกข์ใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงตรัสรู้ต้นเหตุของความสุขใจวิธีสร้างความสุขใจ วิธีสร้างความสุขใจก็คือดับความทุกข์ใจนี่เองวิธีที่จะดับความทุกข์ใจก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้ละกามตัญหาละภาวะตัญหาละวิภาวะตัญหาวิธีที่จะละวิภาวะกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานี้พระองค์ทรงเรียกว่ามร มรกก็คือวิธีการปฏิบัติวิธีการสร้างคุณธรรมที่เป็นเครื่องมือที่จะมาทําให้เราละความอยากทั้งสามนี้ได้ <ơ. S 1> เครื่องมือนี้เปรียบเทียบ ก, ก็เหมือนกับเวลาที่รถเรายางแตกเราต้องการที่จะเปลี่ยนยาง ถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราจะไม่สามารถเปลี่ยนยางใหม่แทนยางที่แตกไปได้เราต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือเช่นในรถนี้จะมีเครื่องมือคือแม่แรงแล้วก็มีเครื่องมือที่จะคลายน็อตออกมาเราต้องยกล้อรถให้ลอยขึ้นก่อนแล้วใช้ กุญแจขันน็อตนี้ออกมาจากล้อเราถึงจะเอาล้อเก่าออกมาได้แล้วเราก็เอาล้อไก่ลอใหม่ใส่เข้าไปแทนเราก็ขันกุญแจขันน็อตให้แน่นแล้วเราก็เลื่อนแม่แรงลงมาให้ล้อกลับลงมาสู่พื้นดินตามปกติการที่เราจะละ ตันหาทั้งสามนี้ได้คือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาเราต้องมีเครื่องมือต้องมีมักหรือที่เราเรียกกันว่าธรรมะต้องมีธรรม hmm. ธรรมที่จะเป็นเครื่องมือในการละตันหาทั้งสามนี้ได้ก็คือทานศีลภาวนา นี่ก็คือเครื่องมือที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากต่างๆได้ความทุกข์ใจจะหายไปแล้วความสุขใจก็จะกลับมาแทนที่ความสุขใจความทุกข์ใจนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ในใจของเราในเวลาเดียวกัน เหมือนกับความมืดกับความสว่างจะไม่สามารถปรากฏขึ้นพร้อมๆกันได้ในที่เดียวกันเช่นกลางคืนกับกลางวันนี้ต้องปรากฏขึ้นมากันต่างเวลามืดกับแจ้งมืดก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแจ้งก็คือตั้งแต่พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากจากดินสู่ท้องฟ้า เหมือนเวลาที่เราอยู่ในห้องมืดๆพอเราเปิดไฟความมืดก็หายไปความสว่างก็ปรากฏขึ้นมาฉะนันใดความสุขใจกับความทุกข์ใจก็เป็นอย่างนั้นเวลามีความทุกข์ใจความสุขใจก็จะไม่ปรากฏเวลาดับความทุกข์ใจไปได้ ความสุขใจก็จะปรากฏขึ้นมาเองดังนั้นความสุขใจนี้เราไม่ต้องไปหามันเราเพียงแต่มาละมาดับความทุกข์ใจเท่านั้นเราดับความทุกข์ใจแล้วพอความทุกข์ใจหายไปแล้วความสุขใจก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีกาจจรปฏิบัติจึงไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไปหาความสุขที่ไหน หาความสุขจากการดับความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากเหตุคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเราก็ใช้ทานศีลภาวนาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาในการดับตัณหาต่งตาง เช่นทานคือการให้การแบ่งปันข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็นเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับเรานอกจากจะมาเป็นเครื่องมือรับใช้ความอยากเช่นเวลาเรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจ เราอยากจะดับความทุกข์ใจเราไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจอย่างถูกต้องเราก็เอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวไปดูภาพยนตร์มหาราัรรบไปดื่มไปรับประทานไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆเพื่อทำให้เรา หายทุกข์แต่การแก้ความทุกข์แบบนี้มันไม่ได้เป็นการแก้ความทุกข์ที่ถูกต้องเพราะความทุกข์นั้นมันไม่หายไปมันเพียงแี่ถูกยับยั้งไว้ชั่วคราวพอเรากลับมาจากการไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของความทุกข์นั้นก็จะกลับเกินขึ้นมาใหม่เพราะความทุกข์ ของเรามันเกิดจากความอยากไปเที่ยวนั่นเองวิธีที่จะแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือแทนที่จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปทำตามความอยากเราเอาเงินนี้ไปให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไปช่วยเหลือเขาเอาความสุขไปให้กับเขาเราจะ ก็อความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาแล้วเราก็ได้ละความอยากไปเที่ยวอยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆเพื่อมาดับความทุกข์นี่คือความหมายของการให้ทำทานให้เราตัดทางเดินของตัณหาทั้งสามด้วยการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือ อย่าเอาเงินทองนี้มาตอบสนองความอยากต่างๆเช่นอยากจะไปเที่ยวเราก็ต้องใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวเราก็ดับความทุกข์ใจได้ชั่วคราวเวลาไปเที่ยวก็มีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานพอกลับมาจากการท่องเที่ยวความสุขที่ได้นั่นก็หมดไป ความทุกข์เก่าที่เคยมีอยู่ในใจที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาใหม่ไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยไปแต่กลับจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะจะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้ไปเที่ยวครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะไปเที่ยวครั้งต่อไปครั้งที่สองครั้งที่สาม เพรอยากจะหนีความทุกข์ด้วยการไปเที่ยวแต่เวลาหยุดเที่ยวเมื่อไหร่เวลานั้นก็กลับมาเจอความทุกข์ใหม่และเวลาอยากจะเที่ยวใหม่แล้วไม่ได้ไม่ได้เที่ยวดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีละความอยากดับความทุกข์วิธีที่จะละความอยากดับความทุกข์ ที่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือก็คือต้องไม่ใช้เงินทองไปทำตามความอยากอยากจะไปเที่ยวเราจะไม่เที่ยวเราจะเอาเงินที่เอาไปใช้กับการท่องเที่ยวนี้เอามาทาบุญแทนเอามาแบ่งปันให้แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์เพื่อนมนุษย์ที่รอรับความเมตตารอรับความช่วยเหลือจากเรา เราให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์แล้วจะทำให้ใจของเรานั้นเกิดความสุขขึ้นมาดังในอนิสง์ของผู้ที่มีความเมตตาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าผู้มีความเมตตาย่อมมีความสุขทั้งในขณะที่ตื่นและในขณะที่หลับ นี่แหละเป็นวิธีที่ควรที่จะสร้างความสุขดับความทุกข์กันด้วยการมีความเมตตาแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้เขาได้มีความสุขบ้างเวลาที่เราเห็นผู้อื่นมีความสุขจากการกระทำของเรา เราจะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ประโยชน์หลายทางเราได้กำจัดเครื่องไม้เครื่องมือของตันหาความอยากคือกำจัดเงินทองต่างๆที่จะมาเป็นพิษเป็นภัยกับเราถ้าเราไม่รู้จักควบคุมใจความอยากมันจะให้เราใช้เงินทองเพื่อตอบสนองความอยากต่างๆแล้ว มันก็จะมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเพราะความอยากนี้มันเป็นต้นเหตุของความทุกข์แล้วมันจะทำให้ความอยากนี้เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทำตามความอยากตอบสนองความอยากก็เหมือนกับเป็นการรดน้ำพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองจะทำให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นไปตามลำดับ วิธีที่จะทําให้ความอยากนี้มันหดไปตายไปก็คือต้องไม่ลดน้ำพร ول ดินคือต้องไม่ทําตามความอยากถ้าต้นไม้ไม่ได้รับการลดน้ำพร ول ดินต้นไม้นั้นก็จะริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้และจะตายไปในที่สุดนี่คือเครื่องมือ ชิ้นแรกที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับผู้ที่มีเงินทองทั้งหลายผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้อย่าให้มันไปเป็นเครื่องมือของความอยากคือกามัตันหาภาวะตันหาหรือวิภวะตันหามันไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่มันเป็นการสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นไป แล้วมันการให้ทานนี้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพราะถ้าเรามีแต่จะให้เงินทองมันหมดไปเราจะไปเสียเวลาหาเงินทองมาทำไมเมื่อเราไม่ต้องไปทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองที่มากเกินความจําเป็นนี้เราก็จะได้มีเวลามา สร้างเครื่องมือที่จะมาใช้กับการละความอยากให้มากขึ้นไปให้หมดไปได้เครื่องมือที่เราจำเป็นจะต้องมีชิ้นที่สองและชิ้นที่สามก็คือศีลและภาวนาถ้าเราอยากจะละความอยากให้หมดไปอย่างสิ้นเชิงเราจำเป็นจะต้องมีศีลของนักบวช คือศีลแปดขึ้นไปถ้าเราเป็นเพียงนักบุญคือเราเพียงต้องการกาจัดความอยากที่ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือเราก็ทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าไปก็พอแต่มันจะไม่สามารถดับความอยากดับความทุกข์ให้หมดไปได้มันช่วยบรรเทาลดความทุกข์ความอยาก ให้น้อยลงไปได้คือเราจะไม่ใช้เงินทองไปทำตามความอยากต่างๆไม่ว่าจะเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโปรดตะพะหรือความอยากมีอยากเป็นเช่นบางคนอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกอบตเอเทศบาลเป็นสอสอ เป็นนักถมลปีก็ต้องใช้เงินทองไปในกับการหาเสียงเพราะถ้าไม่มีเงินทองจะไปหาเสียงได้อย่างไรถ้ามีเงินทองแล้วมีความอยากมันก็จะพาให้เราไปทำต่างความอยากเวลาเราอยากเป็นใหญ่เป็นโตเราก็จะต้องวุ่นกับการหาเสียง แล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่เราไม่ได้เป็นหรือเวลาได้เป็นเราก็จะทุกข์กับการดูแลรักษาตำแหน่งของเราที่เราได้รับมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหมดอายุไปแล้วก็ต้องมาลงเลือกตั้งกันใหม่ต้องมาวิ่งมาเต้นมาวุ่นวายกับการหาเสียง หาเงินหาทองเพื่อที่จะมาหาเสียงกันหาตำแหน่งกันต่อไปชีวิตก็จะมีแต่ความวุ่นวายกับการทำตามความอยากต่งตงางๆดังนั้นถ้าเรามีเงินทองมากเกินความจำเป็นความจำเป็นก็หมายถึงเงินทองที่มีไว้สำหรับดูแลอัตภาพชีวิตร่างกายของเรา และของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของเราถ้าเรามีพอเพียงแล้วเราควรที่จะมุ่งไปสู่การสร้างเครื่องมือที่จะละความอยากดับความทุกข์ขั้นที่สูงต่อไปอก็คือขั้นศีลแปดศีลของนัก บ, บวชและการบำเพ็ญจิตตภาวนา ถ้าเราไม่ต้องทํามาหากินเพราะเรามีเงินทองพอเพียงแล้วหรือเราไม่ต้องอาศัยเงินทองมาใช้ในการอดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็ไปอยู่แบบนักบวชได้ไปอยู่ไปบวชเป็นพระภิกษุก็ได้หรือเป็นบวชเป็นแม่ชีก็ได้ ตอนนั้นถ้าเราบวชได้เรื่องเงินทองนี้ก็จะหมดปัญหาไปไม่ต้องมากังวลกับการหาเงินหาทองไม่ต้องมากังวลกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินทองไม่ให้ไปในทางที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ที่ปรารถนาการดับความทุกข์ก็จะเห็นโทษของการมีเงินมีทอง จะไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองเพราะเวลามีเงินทองแล้วตัณหาความอยากนี้มันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เวลาไม่มีนี้มันไม่มีแต่พอมีเงินมีทองมีช่องทางตัณหาความอยากนี้มันจะโผล่ อ, ออกมาทันทีเวลามันพผล่ อ, ออกมามันก็สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจทันทีพระพุทธเจ้าจึงทรง ห้ามไม่ให้พระภิกษุผู้ที่บวชมายุ่งกับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ให้รับเงินรับทองแต่เนื่องจากว่ายังมีความจำเป็นสาหรับพระภิกษุบางรูปที่อาจจะจำเป็นจะต้องใช้เงินซื้อปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดการขาดแคลนขึ้นมาได้ลองจึง อนุโลมคืออนุญาตให้ถวายเงินให้แก่พระภิกษุได้แต่พระภิกษุนี้จะไม่สามารถเก็บไว้ครอบครองกับตนเองได้ไม่สามารถที่จะพกพาเอาไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆได้ด้วยตนเองคือไม่ให้ถือเป็นเจ้าของของเงินทองที่ญาติโยมได้ถวายให้กับพระภิกษุ ให้ฝากไว้กับวายาวัจกรคือบุคคลที่ไว้ใจได้เชื่อถือได้เป็นคนที่มีศีลมีสัตว์ที่จะดูแลรักษาเงินทองก้อนนี้ให้กับพระภิกษุยามที่พระภิกษุขาดสนขาดแคลนอะไรในเรื่องของปัจจัยสี่ก็สั่งให้บุคคลนี้จัดหามาให้จงอนุโลมให้ แต่ไม่ให้พระภิกษุถือว่าเป็นเงินของตนเช่นถ้าวายาวจักรได้รับเงินจากศรัท ธ, ธายาติโยมเพื่อให้มาดูแลพระภิกษุเวลาพระภิกษุต้องการอะไรก็ไปบอกกับวายาวัจกรถ้าวายาวัจกรไม่กระทําตามคําสั่งก็จะทําอะไรวายาวัจกรไม่ได้ เพราะไม่ให้ถือว่าเป็นเงินของพระภิกษุจะไปฟ้องร้องฟ้องศาลเพื่อเรียกเอาเงินเอาทองคืนไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็ไปแจ้งบอกศรัทธาญาติโยมผู้ที่ฝากเงินฝากทองไว้กับไวไวไวยาวัชกรว่านายคนนี้เขาไม่ทำตามที่เราบอกเราบอกว่าเราขาดจีวรให้ช่วยดูแลจีวรให้หน่อย เขาก็ไม่ทําตามหรือเขาสารภาพว่าเงินทองที่จัตตารยาโยมได้ฝากไว้ให้กับเขานั้นเขาเอาไปใช้หมดแล้วหมดแล้วก็ถือว่าหมดไปพรภิกษุไม่ต้องมีความมีอารมณ์กับเงินทองที่หมดไปเพราะให้ถือว่าไม่ใช่เป็นเงินทองของพระภิกษุถ้าไม่มีก็แล้วไป พระภิกษุนี้ทรงสอนให้อยู่ตามตา ม, ตามีตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็ให้มีความยินดีกับสภาพนั้นไปไม่ให้มากังวลกับเรื่องของปัจจัยสี่เพราะจะทำให้มาเป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญจิตตภาวนาต่อการมาละตัณหาดับความทุกข์ภายในใจ นี่คือเรื่องของการผ่อนผันเรื่องเงินทองสำหรับนักบวชในระยะแรกๆนี้ทรงไม่ให้รับเลยเพราะเห็นโทษของเงินทองต่อพระภิกษุเห็นโทษเงินของเงินทองต่อผู้ปฏิบัติธรรมเพราะมันจะมาเป็นสะพานเชื่อมหรือเป็นทางออกของกิเลสตัณหานั่นเองพอมีเงินแล้วนี้จะแทนที่ใจจะ สนใจกับการบาเพ็ญจิตตภาวนาตัณหามันก็บอกว่าอยากจะไปทำบุญที่นั่นอยากจะไปทำบุญที่นี่ถ้าปล่อยให้ไปทำบุญถึงแม้ว่าจะเป็นการทำบุญมันก็เป็นเหมือนกับถอยหลังเข้าคลองเดินถอยหลังเพราะการทาบุญกับการภาวนานี่อยู่กันอยู่คนละขั้นอยู่คนละระดับกัน ทานหรือการทาบุญนี้อยู่ขั้นต่ำขั้นแรกส่วนการภาวนานี้อยู่ขั้นสูงอยู่ขั้นที่สามถ้าเราขึ้นปสามแล้วเรากลับมาเรียนปหนึ่งก็แสดงว่าเราเดิเเดนถอยหลังเราไม่ได้เดินก้าวหนะ้าถ้าเราภาวนาแล้วเราต้องการไปเพื่อรับปริญญากันไปรับมรรคผลนิพพานกันไปรับมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งกัน ไม่ใช่กลับมาทำบุญทำทานเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์กันการทำบุญทำทานนี้ก็จะพาให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพแต่เป็นสวรรค์ที่ต่ำกว่าสวรรค์ของพระอริยบุคคลเป็นสวรรค์ที่ต่ำกว่าสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นพรมนี้เกิดจากการถือศีลแปดหรือศีลของนักบวช แล้วก็จเจริญสมถภาวนาทําใจให้สงบใจให้พอใจสงบใจเป็นฌานใจก็อยู่บนอยู่อยู่สวรรค์ชั้นพรมที่มีอยู่8ชั้นด้วยกันคือพ ร, ปป ร, ม, ร, ปปรมรูปประพรมกับรูปประพรมรูปประพรมสี่รูปประพรมสี่รูปประพรมสี่ก็คือผู้ที่ได้ฌานสี่ได้รูปประฌานสี่ อรูปพรหมสี่ก็คือผู้ได้บรรลุอรูปฌานสี่นี่คือสวรรค์ชั้นสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพได้จากการทําบุญให้ทานเสียสละรักษาศีลห้าส่วนสวรรค์ชั้นพรหมนี้ได้จากการถือศีลแปถือศีลของนักบวชแล้วก็เจริญสติ ทำใจให้เป็นฌานขั้นต่างๆตั้งแต่รูปฌานขึ้นไปสู่อรูปฌานก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมส่วนผู้ที่จเจริญหลังจากที่ได้สมถะภาวนาแล้วพอออกจากสมถะภาวนามาก็จะเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อพิจารณาใจลักในสภาวธรรมทั้งปวงพิจารณาให้เห็นว่าสภาวธรรมทั้งปวง ไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกใจหรืออยู่ข้างในใจล้วนเป็นใจรักทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงเป็นอนัตาไม่สามารถไปสั่งให้มันเป็นตามที่เราต้องการให้มันเป็นได้เช่นไยสั่งให้มันเที่ยงสั่งมันยังไงมันก็ไม่เที่ยงเช่นร่างกายนี้สั่งให้มันไม่แก่สั่งมันยังไงมันก็ต้องแก่ สั่งให้มันไม่เจ็บมันก็ต้องเจ็บสั่งให้มันไม่ตายมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของเรานี่คือวิปัสสนาผู้ที่เห็นใจรักแล้วก็จะรักความอยากต่างๆได้รักความอยากไม่แกร่รักความอยากไม่เจ็บรักความอยากไม่ตายรักความอยากไม่พัดภาาจากกันได้ ละความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บุคคล น, นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ละความอยากเหล่านี้ได้พอไม่มีความอยากความทุกข์ที่เกิดความอยากก็จะหายไปพอความทุกข์หายไปความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจนี่คือขั้นของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆขั้นพระโสดาบันท่านก็ต้องละสกายะทิฐิ ก็คือละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ถ้าละได้ท่านก็จะได้เป็นพาโซดาบันเพราะเวลาถ้าละสักยักทิฐิได้ก็จะเห็นผลที่เกิดจากการละคือเห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากการละความอยากเห็นความสุขที่เกิดจากการมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เวทนาจะสุขจะสั่งให้เขาสุขไปเรื่อยๆก็ไม่ได้เวทนาทุกข์จะสั่งให้เขาหายไปก็สั่งไม่ได้ ทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจอยู่กับเขาไปเขาจะสุข ก, ก็ปล่อยเขาสุขไปเขาจะทุกข์ก็ปล่อยเขาทุกข์ไปร่างกายจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปร่างกายจะตายก็ปล่อยเขาตายไปพอปล่อยได้ปั๊บก็จะพบกับความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นทั้งเหตุเห็นทั้งผลเห็นอริยสัจสี่นี่ เห็นทุกสมุทัยนิโรธมาพอเห็นอริยาาสัจสี่แล้วก็จะไปละสังโยชน์ตัวที่สองได้ทันทีก็คือละความรังเลยสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมย่อมเห็นพระพุทธเจ้าอย่างที่พระเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น จะเห็นเราตถาคตนะฮะผู้ที่จะเห็นเราตถาคตได้นี้จะต้องเห็นธรรมเท่านั้นไปถึงอินเดียก็ไม่เห็นไปที่นั่นก็จะไปเจอแต่แต่ซากผลักหักพังของสถานที่ที่ครั้งหนึ่งตถาคตเคยประทับอยู่ถึงแม้ว่าไปเห็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระธาตุนี้ไม่ใช่เป็นตัว แท้จริงของพระพุทธเจ้าตัวแท้จริงของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะที่ปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินี้เอผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดจากการบําเพ็ญวิปัสสนาภาวนาจะเห็นธรรมแล้วจะรู้ว่าธรรมนี้แหละก็คือพระพุทธเจ้านะผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนั่นเอง ผู้ที่บรรลุธรรมก็คือพระสวัสดบิบาลผู้ที่ละส ก, กายทิฏฐิได้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความหลงไปยึดไปติดกับขันห่าว่าเป็นตัวเราของเราพอ เ, เห็นว่ามันไม่ใช่แล้วปล่อยวางได้ก็เห็นความทุกข์ดับไปเห็นความสุขโผล่ขึ้นมาแทนที่ภายในใจก็จะไม่สงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ผู้บรรลุธรรมนี้ไม่ต้องไปประเทศอินเดียไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไปก็ไปเที่ยวเล่นๆอย่างนั้นเองแต่ไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพาราะรู้ว่พาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่ประเทศอินเดียพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของผู้บรรลุธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่จะดานสมถะภาวนาแวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นจะเห็นธรรม เมื่อเห็นธรมแล้วก็จะละวิจิกิจชาได้ความนังเลสงสัยแล้วก็จะละศีลพัตาปร r มา a ได้ศีลพัตปร r มาคืออะไรก็คือการประพฤตินอกคำสอนของพ่อพุทธเจ้านั่นเองพวกที่ยังไปหาหมอดูอยู่ไปจะดอเคด้วยวิธีการต่างๆอยู่นี่เป็นพวกที่ยัง ยังถือศีรับพระตาปรามาสอยู่คิดว่าเป็นวิธีดับความทุกข์ได้ความทุกข์ดับได้ด้วยการบำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อลดตัณหาความอยากเท่านั้นต่อให้ไปทำพิธีกรรมบวงสรวงเทวดาหรือทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งทำบุญถวายสังฆทานเก้าวัดร้อยวัดมันก็ดับความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากไม่ได้ เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกว่าจะต้องตายไปในสามวันเจ็ดวันไปทําบุญสังฆทานร้อยวัดมันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากอ่ความไม่อยากตายได้นะแต่ถ้ามาเจริญวิปัสสนาได้มาพิจารณาว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่มีใครห้ามมันได้ะ มันต้องเป็นอย่างนั้นพอยอมรับความจริงได้ดับความอยากไม่ตายได้ความทุกข์ก็จะหายไปนี่ต้องดับความทุกข์ด้วยวิธีนี้เท่านั้นต้องดับความทุกข์ด้วยอารยศาสตร์สี่ด้วยมรรคแปดด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ดับด้วยการไปหาหมอดูหรือไปทำพิธีสระเคราะห์ต่างๆบูชาลาหูน หรือทำอะไรที่เขาทำกันมันไม่ใช่เป็นทางของการดับความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดจากความอยากหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจนั้นก็จะหายไปนี่คือวิธีของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะไม่จะไม่ทำสีรับพระธรรมะจะไม่ทำ อะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์ใจได้นั่นเองจะมาดับความทุกข์ใจด้วยการหยุดความอยากต่างๆพอหยุดความอยากได้ความทุกข์จะหายไปนี่คือการบรรลุธรรมของผู้ที่ได้บำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจะสามารถละสังโยชน์สามข้อ แรกนี้ได้ก็จะบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งคือเรียกขั้นโสดาบันอา น, นิสงส์ของพระโสดาบันได้อะไรบ้างคือหนึ่งได้เข้าสู่กระแสธรรมเข้าสู่กระแสสู่พระนิพพานจะไม่มีวันที่จะกลับไปเป็นปุถุชนอีกต่อไปถ้ายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากจะต้องไปถึงพระนิพพานได้โดยอัตโนมัติ แล้วก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายอีกต่อไปเพราะบุญหรือธรรมที่ได้รับนี้จะปกป้องรักษาใจไม่ให้ต้องไปรับใช้กรรมในอบายนี่ก็คืออั น, นิสงส์อา น, นิสงส์ของทการได้บรรลุเป็นท่าสดาบันอันนี้เป็นเป็นเพียงธรรมขั้นแรก เป็นการดับทุกขั้นแรกที่ยังต้องมีการทำต่อไปเพราะทุกทุกยังไม่หมดไปจากใจทุกที่พระโสดาบันจะต้องดับขั้นต่อไปก็คือทุกที่เกิดจากกามอารมณ์ทุกที่เกิดจากความอยากจะเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนหรือกับใครก็ตามเวลาเกิดความอยากขึ้นมา จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีเพราะใจจะอยู่ไม่เป็นปกติจะกระวนกระวายกระสับกระส่ายหงุดหงิดดำคาญใจจะหายก็ต่อเมื่อได้เสพกามแต่การหายแบบนี้มันเป็นการหายชั่วคราวพอหายได้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากเสพกามขึ้นมาใหม่ความทุกข์ความกะวนกระวายกระสับกระส่ายก็จะกลับคืนมาใหม่ ก็ต้องเสพกามใหม่ถ้าต้องทำอย่างนี้ไปมันก็จะติดอยู่กับการเสพกามก็มยังจะไม่ลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดในกามะพภกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นเทวดาเพราะมนุษย์เทวดานี้ยังต้องเสพกามอยู่นั่นเองถ้าอยากจะหลุดออกจากกามะพภก็จำเป็นที่จะต้องละกามอารมณ์นี้ให้ได้ตัดกามารมณ์นี้ให้ได้ การจะตัดการมารมณ์นี้ได้ก็ต้องใช้ธรรมที่เรียกว่าอสุภะกรรมฐานคือต้องเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเท่านั้นถึงจะทาให้การมารมณ์นี้ดับไปได้เวลาเห็นร่างกายไปเห็นส่วนที่สวยงามส่วนที่น่าดูน่าชมก็จะทำให้เกิดการมารมณ์ขึ้นมาถ้าไปมองไปในส่วนที่ไม่สวยไม่งามการมารมณ์นั้นก็จะดับทันที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ที่ต้องการที่จะละกามารมณ์ละตัณหาการมาตัณหากามรมาคะนี้จําเป็นแต่ต้องเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆต้องพิจารณาและลึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เอามาใช้เป็นยารักษากามรมารมณที่เป็นความทุกข์เป็นโรคชนิดหนึ่งพราะเกิดกามรมารมปั๊บถ้ามียาคืออสุภะ เตรียมไว้อยู่แล้วเอ า, อาสุภะมาฉายปั๊บเดียวอการมลลมก็จะดับไปทันทีเวลาเกิดการมลลมคิดถึงร่างของคนตายคิดถึงซากศพแทนที่จะไปคิดถึงภาพร่างของนางงามจักรวาลร่างของดาราภาพยนตร์ให้ไปคิดถึงซากศพของเขาคิดถึงเวลาดาราภาพยนตร์ตายไปคิดถึงเวลาที่ นางงามตายไปว่าดูแล้วหน้าดูหรือไม่พอเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วกามอารมณ์ก็จะดับไปหรือมองเข้าไปข้างในใต้ผิวหนังก็ได้คนเราสวยภายนอกภายในนี้ไม่มีใครอยากจะดูกันไม่มีใครอยากจะพาร่างกายออกมาดูกันไม่มีใครอยากจะดูอวัยวะ ต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังกันเพราะมันไม่ได้ดูน่าชมแต่ผู้ที่ต้องการที่จะละการมลลมนี้จาเป็นจะต้องบังคับตนเองให้ดูอยู่เรื่อยๆดูจนกระทั่งมันไม่หลงไม่ลืมให้มันติดตาติดใจไปตลอดเวลาเวลามองเห็นร่างกายของขายนี้จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเสมอถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเสมอ น, นี้ การอารมณ์จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ผู้ที่สามารถที่จะเจริญอสุภกรรมฐานได้เอขาเรียกว่าได้บางส่วนบางเวลาก็จะบรรลุอริยขั้นที่สองได้คือได้บรรลุเป็นพระสกิดาคามีคือสามารถทําให้การารมณ์นี้เบาบางลงไปได้เช่นเคยมีการารมณ์ระดับร้อยเปอร์เซ็นต แล้วลดลงเหลือประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นตอย่างนี้ก็เรียกว่าได้บรรลุออริยะบุคคลขั้นที่สองคือเป็นพระสกิดาคามียังมีการมารมอยู่แต่ไม่รุนแรงเหมือนกับพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ยังไม่ได้ละเลยพระโสดาบันจึงมักเป็นบุคคลที่ยังมีครอบครัวยังมีผู้คองอยู่ แต่พอเริ่มเห็นโทษของการมีคู่ครองว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะต้องจากกันคนที่เรารักกันนี้สักวันก็จะต้องพัดพากจากกันเวลาพัดพากจากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความเหนาเกิดความว้าเหวขึ้นมาก็จะเห็นโทษของการมีการอารมณ์ก็จะขยับปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือพิจารณาอาสุภะ พอพิจารณาทำให้การอารม์เบาบางลงก็ได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามีแล้วถ้าสามารถพิจารณาสุภาให้เห็นได้ตลอดเวลาจนสามารถกำจับการอารม์ได้ตลอดเวลาจนไม่มีการอารม์หลงเหลืออยู่ภายในใจก็จะได้บรรลุอริยผลขั้นที่สามก็คือขั้นพระอนาคามี การนาคาเมนี้จะไม่มีความรู้สึกต่อร่างกายของผู้ดูแล้วก็จะเฉยๆถ้าเกิดการาอารมณ์เมื่อไหร่ก็จะมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีหรือจะมองไปถึงสภาพเป็นซากศพทันทีเพราะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นซากศพดีๆนี่เองการอารมณ์มันก็จะหายไป ผู้ที่บรษย์ขั้นที่สองคือพระสกิรดาคามีได้อันที่สองก็คือจะเหลือพบชาติในการมาพบเพียงชาติเดียวจะเมตกรรมมาเกิดอีกครั้งหนึ่งก็จะเบื่อจะละการอารมณ์ต่างๆได้หมดพอได้ขั้นที่สามเป็นพระอนาคามีนี้ก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะไม่มีอารมณ์ กับเรื่องของร่างกายแล้วเห็นร่างกายก็เห็นเป็นสรากสมเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังพระอนาคามีก็จะหลุดออกจากความทุกขกก์ของการมีการอารมณ์ของการมีการมตัตหานะแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เป็นขั้นสุดท้ายท่านก็จะไป บรรลุในบนสวรรค์ชั้นพรหมต่อไปสมมติว่าเป็นมนุษย์แล้วตายไปเป็นพระอนาคามีแต่ยังไม่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เกิดไปประสบกับอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก่อนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมจะไม่มาเกิดบนบนโลกของมนุษย์หรือโลกของเทวดาอีกต่อไป เพราะไม่มีการอารมณ์ไม่มีความอยากจะเสพการผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มีมาเกิดมีรูปมีร่างในการมาพบนี้เป็นผู้ที่ยังมีการอารมณ์อยู่ยังมีการมติหาอยู่การมาพบนี้คือที่อยู่ของเทวดาของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของสัตว์นรกสัตว์เหล่านี้ยังมีการอารมณ์อยู่ ยังติดอยู่ในการอารมยังแต่ว่าแบ่งเป็นสองสองฝ่ายฝ่ายฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปผู้ที่เสบการมด้วยการทำบาปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นปนสุรกายไปตกนรกผู้ที่เสบการมด้วยการไม่ทำบาปก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาถ้าได้ทำบุญนี่คือเรื่องของ ใจที่ได้รับการแก้ไขละตันหาความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจพอความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้หายไปใจก็จะสูงขึ้นไปมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์ลดน้อยลงไปแต่ระดับผ้านาคามีนี้ก็ยังมีความทุกข์เหลืออยู่ยังไม่หมดถ้าเปรียบเทียบก็ยังเหลือ ยังเหลืออีกครื่งหนึ่งอีกขั้นต่อไปนี้ต้องเป็นขั้นของพระอาหารหันต์คือต้องเจริญอรหัตมรรมต้องละสังโยชน์อีกห้าข้อด้วยกันคือต้องละรูปราคะความติดในรูปฌปานอารูปราคะความติดในอรูปฌปานมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านและอวิชชา ความหลงความไม่รู้ความไม่รู้ความ อ, าอริยสัจยังไม่เห็นอริยสัจที่ละเอียดที่มีอยู่ในจิตเนี่ยเห็นอริยสัจที่อยู่ที่เกี่ยวกับร่างกายฝ่านาคามนีนีเห็นอริยสัจเกี่ยวกับร่างกายเห็นว่าทุกเกิดจากการใบมีการอารมณ์กับร่างกายพอละการอารมณ์ได้ความทุกข์นั้นก็หายไปอต่ ยังมีความทุกข์อยู่กับความสุขภายในใจความสุขภายในใจนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องละให้ได้เพราะถ้าไม่ละก็ยังจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะยังมีความอยากเหมือนกับความอยากเสพการนั่นเองแต่แทนที่จะเสพการตอนนี้มาเสพธรรมารมณ์เสพความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจ ภาะอรหารพุทธะพระผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหาก็ต้องพิจารณาและตัดสัญชน์อีกห้าข้อนี้ให้ได้ละการยึดติดในฌานละการติดในรูปฌานละการติดในอรูปฌานละการถือตัวละถือว่าตัวเราใหญ่กว่าเขาเท่าเขาเลอเล็กกว่าเขาแล้วก็ละความพ้งสร้างของใจ ที่เกิดจากการบําเพ็ญเจริญวิปัสสนาเกินขอบเขตเวลาที่ได้ถึงขัน้นนี้ใจจะหมุนท่านบอกหมุนกับ เ, เหมือนกับนาฬิกาไขาลานอัตโนมัติมันจะพยายามทำงานเพื่อหาหาหาตัณหาความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ซ่อนอยู่ภายในใจเพื่อที่จะทำลายมันให้หมด แต่การหานี้ถ้าหาโดยที่ไม่มีขอบมีเขตก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ต้องรู้จักพักใจเวลาพิจารณาทำเพื่อที่จะละละสังโยชน์ทั้งห้าข้อนี้บางทีถ้าทำเกินขอบเขตเหมือนกับเวลาทำงานถ้าเราทำงานแบบไม่พักไม่ผ่อนใจก็ใจก็จะเหนื่อยร่างกายก็จะเหนื่อย ก็จะไม่สามารถทำงานได้เวลาเราทำงานพอตอนเย็นเราก็พักงานกลับบ้านไปกินข้าวอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนหลับนอนพอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็กลับมาทำงานใหม่เราจะทำงานได้ผลดีกว่าการที่ทำงานโดยไม่ได้มีการพักผ่อนท่ในใดการเจริญวิปัสสนาขั้นอารหัตตมะ ก, ก็เป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากใจผู้ ที่ได้ได้ผลจากการบําเพ็ญวิปัสสนามาก็อยากจะให้มันเสร็จเร็วก็เลยทําแบบหามรุง่งหามค่ํำไม่รู้จักพักผ่อนแต่การไม่พักผ่อนนี้แทนที่จะเป็นผลดีกับผลไม่ดีเพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงพอถ้าเป็นปัญญาปัญญาที่ก็เป็นเหมือนกับมีดมีดมันก็จะทื่อต้องหยุดพักไปรับมีดซะก่อน แล้วคนที่ใช้มีดก็ควรที่จะพักผ่อนหลับนอนเอาแรงซะก่อนแล้วค่อยออกมาทำงานต่อถ้าฟันไม้ไปเรื่อยๆมีดมันก็ต้องทื่อแรงมันก็ต้องหมดแล้วไม้ก็จะไม่สามารถตัดมันขาดได้แต่ถ้าได้พักผ่อนหลับนอนกินข้าวกินอาหารมารับมีดให้มันแหลมให้มันคมพอออกมาทำงานครั้งต่อไปก็จะฟันไม้ให้ขาดได้ อย่างง่ายไดย้นี่คือเรื่องของอุทธจัจจะเวลาที่ไปเจริญวิปัสสนาขั้นอาราตาัตตมรรคแล้วมันมักจะเลยเถิดจึงทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนที่จะตัดกิเลสปัญหาได้กลับไปสร้างกิเลสปัญหาขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวก็ต้องแก้ไขไปด้วยการพักจิตเอาจิตเข้ามาในสมาธิพักจิตให้มันสงบให้มันสบายให้มันเย็น พอมันสบายมันเย็นมันอิ่มตัวแล้วมันก็จะถอนออกมาแล้วก็จะสามารถออกมาพิจารณาเรื่องของการละสังโยชน์ต่างๆได้ต่อไปแล้วในที่สุดก็จะสามารถละสังโยชน์ทั้งหมดได้ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆสังโยชน์นี้ก็เป็นความอยากอยากในรูปประฌานอยากในอรูปประฌาน อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะให้คนแคลลบนับหน้าถือตาเพราะถือตัวถือตนว่าตนเองยังใหญ่ยังโตยังดียังเด่นอยู่พอเวลาคนอื่นดูถูกเหยียดหยามก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการละความอยากเหล่านี้ปฏิบัติไปละจนเห็นชัดว่าการมีสังโยชน์เหล่านี้เป็นการมีความทุกข์ ก็จะปล่อยวางมันไปเองละมันไปเองจนในที่สุดก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจไม่มีกามัตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภาวะตัณหาเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดพอความทุกข์ทั้งหมดดับไปความสุขก็ปรากฏขึ้นมาแทนที่ทันทีนิพพานังปาะมังสุขขังก็ปรากฏขึ้นมาทันที ในขณะที่ปัญหาหรือสังโยชน์ทั้งหลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนี่คือเรื่องของการดูแลหรือการสร้างความสุขดับความทุกข์ให้กับใจต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญและทรงสั่งสอนให้พวกเรามาบาเพ็ญกันอย่าไปดับความทุกข์ด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาใจไม่สบายก็ พาร่างกายไปเที่ยวกันไปเที่ยวสักพักความไม่สบายใจนั้นก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาบ้านก็กลับมาเจอความไม่สบายแบบเดิมก็ต้องหนีมันอยู่เรื่อยต้องออกจากบ้านมันอยู่เรื่อยช่วงนี้สงการนี่เตรียมหนีกันแล้วอยู่บ้านกันไม่ได้แล้วอยู่บ้านแล้วมันทุกข์ต้องออกจากบ้านกันถ้าอยากจะแก้ความทุกข์นี้ต้องอยู่บ้านแล้วก็นั่งภาวนากัน จะรันสมารถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลัความอยากกันถ้ารักความอยากได้อยู่บ้านแสนจะสุขแสนจะสบายไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปติดรถบนท้องถนนกันแตพวกเราไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์กันชอบสร้างความทุกข์ชอบดับความทุกข์ด้วยการสร้างความทุกข์ใหม่ขึ้นมาออกจากบ้านก็ต้องไปทุกข์กับการหาที่อยู่หาที่กินกัน เดินทางก็เดือดร้อนกันวุ่นวายกันบางทีก็ไปติดรถบนท้องถนนกันเป็นชั่วโมงถ้าอยู่บ้านนั่งทำสมาธิได้สบายกว่าเยอะแยะเพราะฉะนั mm hmm. ้นพวกเราควรที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆแล้วพยายามปฏิบัติตามคำสอนให้ได้แล้วเราจะได้พบกับการดับทุกข์ที่ถูกต้องและได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะถ า, าวาเรวาหาปุราเปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุ ป, ปกบปติอิที่ตังปฏิตังตุมหังคิดปาเมวะสมิจโต สัพเพประเอ็นตุสังกาปาจันโทปนะระโสยทามานิโชติระโสยทสัสพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภาวะตวันตราโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานสีลิตรนิจังวุธาปจายโน จตารโอธรรมวัานติอายุวโนสุขังภาลัท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอความกรุณาได้มาถามผ่านทางไมโครโฟนถามได้เลยการนมันสการอาจารย์ครับผมเวลานั่งสมาธิอ่าจ ะ, ะมันจะฟุ้งซ่านคิดถึงแต่อนาคต จะดึงสติมาแบบได้ครับก็ต้องฝึกสติให้มากๆอย่าฝึกแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเ่านั้นต้องฝึกทั้งวันเลยเดินขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยดึงใจไว้ก่อนเลยอย่าปล่อยให้มันลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าดึงมันได้ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิมันก็จะไม่ลอยไปครับถ้าบริกรรมทีนี้ได้ไหครับได้ทีก็ได้ช้าก็ได้ตามสบายแล้วแต่ เมืนขับรถบางทีก็ต้องเร็วบางทีก็ต้องช้าขึ้นอยู่กับสภาพของถนนนะครับผมข้อสองครับการนั่งสมาธิต้องจัดความกังวลองานที่ค้างหรือเปล่าครับทั้งที่ทํางานทั้งที่บ้านทําให้เสร็จก่อนหรือเปล่าครับพราะมันจะกังวลมากถ้ามีหน้าที่การงานที่ต้องทําก็ต้องทําให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อน่อยมานั่งใช่ไหมครับใช่าเพื่อที่จะเอาทำนี้ มีเพื่อนแนะนําว่าให้ต้องตัดเฟซบุ๊กตัดไลน์ออกแต่ใจจริงก็ในเฟซในไลน์นี้ต้องดูข้อมูลข่าวสารแชร์ทมากกับเพื่อนทางธรรมตัวนี้ยังทําไม่ได้ตัวนี้จําเป็นไหมครับก็ทําไปตามกําลังของเราก่อนในที่สุดแล้วถ้าจะบําเพ็ญอย่างเต็มร้อยก็ตัดบดเลยไปอยู่ในป่าคนเดียวอ๋อครับผมข้อสี่ครับการที่เราอยู่ใกล้ ถ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วที่สอนถูกต้องตามหลักธรรมแล้วจำเป็นต้องสอบแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านอื่นไหมครับเพราะการอสอนของแนวทางของท่านก็เหมือนกันคือทางหลุดผลครับถ้าเหมือนกันแล้วไปทำไมเนี่ยเพราะบางเพราะบางคนก็อาจจะชอบจริตแบบว่ารุนแรงบางคนอาจจะชอบแบบว่าสอนเบาๆอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องไปตามจริตกนแล้วกันครับผม อแล้วก็การทําทานครับพอดีเคยอ่านในอ่พระไตรปิฎกการสมัยพุทธกาลคือการทําอาหารต้องเน้นที่ปาณนี่นี้อนิสงส์มันแตกต่างกันใช่ไหมครับคือมันจะได้อนิสงส์ทางจิตใจถ้าเราทําอะไรด้วยความปราณีแสดงว่าเราทําด้วยความระมัดระวังทําด้วยความมีสติถ้าเราทําแบบไม่ปราณีก็ทําแบบ ไม่มีสติงั้นผลแตกต่างกันทางจิตใจของผู้กระทำที่ให้ทำะายด้วยความปราณีตนี่ก็เพื่อเป็นอุบายให้เราสร้างสติขึ้นมาครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวนาดนนีนึงนะครับแต่ขอเพราะว่ามันเกี่ยวกับกรเรื่องการทำงานครับคือหัวหน้าห้ามนำโทรศัพท์ที่มีกล้องเข้าไปในลายแต่ว่าเป็นข้อห้ามกดเข้มข้นแต่แรก แต่บางหัวหน้าบางท่านก็ว่าเอาเข้าไปได้แต่ว่าห้ามเล่นในไลน์หรือโทรก็ไปเล่นในห้องน้ําอะไรอย่างงี้โทรได้แต่ไปเอามามันก็ปฏิบัติไม่ได้มันเหมือนเดิมตอนนี้มันจะเป็นข้อวัดเล็กๆน้อยไหมครับปฏิบัติอะไรไม่ได้อ่าแบบว่ายังส่วนมากก็ยังเอาเข้าเหมือนเดิมอยู่ครับอ๋อทําตามกฎยังไม่ได้เพราะว่ามันส่วนมากจะไม่กล้องอยู่ครับผม ก็อยู่ที่ตัวเราถ้าเราอยากจะมีความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบเราก็ทําตามกฎระเบียบไปครับผมหมดคาถามนะครับผมกัปตนมัธการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจว่าผมสามารถชนะกิเลสได้ข้อหนึ่งครับคือวันนี้ตื่นมาเนี่ยเอาไปทําบุญใส่บาตรกับพระอาจารย์แล้วก็เอ้ยวันนี้มีเทศตอนบ่ายเออไม่ไปแล้ววะทําบุญไปแล้วนะ อ, อ, อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเอ้ย ไม่ได้ต้องไปคือตัดสินใจไปไปไม่ไปไปไม่ไปอย่างเงี้ยสุดท้ายไปโอ้โหมันรู้สึกโล่งอาจารย์เลยกับคำถามผมก็คือว่าอ่าผมอยากจะสอบถามว่าการกว่าลานวัดเนี่ยนะครับสามารถทำสมาธิได้อย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับก็คือเกิดจากเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมไปที่มณฑปนะฮะมันมีขยะอยู่ที่บันไดเยอะเลยนะฮะ หลังจากฟังเทศที่นี่ไปผมก็ไปกวาดนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะครับมาอีกวันหนึ่งกวาดจนถึงสามงเย็นนะฮะคือกวาดไปกวาดมากวาดไปกวาดมาก็เรารู้สึกว่าพอจับไม่กวาดเนี่ยมันมีความสุขมันรู้สึกบอกไม่ถูกนะอาจารย์ถึงจะไปกวาดที่บ้านก็เหมือนกันสามารถเป็นครับได้เป็นได้ถ้ามีสติจดจ่ออยู่กับการทางานของเรา ใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็สงบได้ครับผมอ๋อไม่แปลกใจที่ว่าที่วัดท่านบอกลงมากว่าล้านวัดอ๋อครับผมกับอย่างน้องเมื่อกี้นะที่บอกว่าเล่น f เฟซบุ๊กเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามีผลมากเลยกับการปฏิบัติบอกได้เลยฮนะ <c oughs> อย่างไปเจอปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เราไม่ชอบใจปุ๊บเนี่ยมันต้องคอมเมนต์นะนะ <c oughs> ต, ต้องคอมเมนต์ทุกซึ่งซึ่งมันมันมันอดไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะ เราไปเห็นออะไรหลายๆอย่างที่ไม่ถูกใจอ่นะครับตรงนี้งดได้นี่ถูกใจมากเลยสังงดได้นะครับข้อที่สองก็คือจากคําถามที่ผมเคยถามพระอาจารย์ว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยนะฮะห่วงหาหานอนเนี่ยนะฮะมันมันเยอะมากเลยอาจารย์บอกว่าต้องอดอาหารอ่าผมก็บอกเคยอดมาแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอ่ะนะคราวนี้อดให้ได้เยอะนะครับคือเอามื้อเดียวแบบพระเลยพูดถึงนะจะหิวก็ให้มันหิว นะอาจารย์บอกว่าอกินน้ำหวานอ่ยนะสู้กินน้ําเปล่าไม่ได้อ่านน้ําเปล่าก็ได้เอาแบบอาจารย์บอกเอาผลผลบอกได้ทุกคนเลยนะครับว่าดีขึ้นครับอันนี้อันนี้อันนี้ประสบการณ์นะครับผมโอเคครับผมมีแค่นี้ครับกราบขอบพระคุณท่านาอาจารย์กราบนรมาสการพระอาจารย์ครับก็คือที่พระอาจารย์บอกว่าการบรรลุพระอริยเจ้าขั้นโสดาบันก็คือต้องละ ส ก, กายทิติวิจิกิจชาศีลพัตต์ปรามาตได้แล้วนี้จะมีอะไรเป็นตัวบ่งบอกเราหรือว่านิมิตหรือเปล่าขอรับก็รู้ว่าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ว่าเราไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายร่างกายจะเป็นอะไรนี้เป็นเหมือนกับเป็นตายเท่ากันคือใจไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับความเป็นความตายต่อไป แล้วก็ใจจะรู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากเวลาทุกข์ใจก็จะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อมาดับความทุกข์ใจเพียงแต่พิจารณาหาเหตุให้เจอว่าเรากำลังอยากอะไรแล้วละความอยากนั้นได้ด้วยปัญญาใจก็จะหายทุกข์ไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนผมเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรต่างๆตามที่เขาถูกสอนให้กระทากัน วิธีเหล่านั้นไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์วิธีดับความทุกข์ต้องมาละความอยากถ้าเราทุกข์เราต้องใช้ปัญญาถามตัวเองว่าตอนนี้เราอยากกับเรื่องอะไรอยากให้แฟนอยู่กับเราหรืออยากให้แฟนเลิกกับเรามันก็ทุกข์ได้ทั้งสองอย่างอยากให้เลิกเขาไม่ยอมเลิกก็ทุกข์อยากให้เขาอยู่แต่เขาจะไปก็ทุกข์แล้วก็ต้องพิจารณาว่าเราห้ามเขาได้หรือเปล่าห้ามให้เขาอยู่ได้หรือห้ามให้เขาไม่ไปได้หรือเปล่า ถ้าห้ามไม่ได้เขาจะไปก็ต้องปล่อยเขาไปพอปล่อยเราก็จะหายทุกข์ไม่ต้องไปไปทาพิธีกรรมอะไรต่างๆไปทํยักคุณสงคุณใสยอะไรที่จะทําให้เขาอยู่กับเราต่อไปเข้าใจไหมนี่คือสีลับพระาปรามารมเราไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าก็เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมว่าเป็นวิธีที่ดับความทุกข์ได้อย่างถูกต้อง เราจะไปสงสัยคนสอนได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีในเมื่อคําสอนมีอยู่มันก็ต้องมีคนสอนคนสอนก็คือพระพุทธเจ้าคําสอนก็คือธรรมที่เราเอามาปฏิบัติจนเราได้ประโยชน์จากการปฏิบัตินี้แล้วใครลที่จะเป็นผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมก็คือผู้ปฏิบัติก็คือตัวเรานี่แล้วเราจะไปสงสัยอะไรในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือเปล่าเราจะไปสงสัยว่าเราเป็นโสดาบันหรือไม่มันไม่สงสัยเลย ถ้ามันด้อยอยู่แก่ใจขอรับเพราะว่า ม, มันกินข้าวอิ่มแล้วต้องไปสงสัยแล้วว่าอิ่มหรือไม่อิ่มครับเพราะว่ามันเกิดนิมิตเหมือนเดิมครับอาจารย์มันไม่เกี่ยวกันนิมิตในการปฏิบัติวนปรัชนานี่ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนิมิตนะมันเรื่องมันเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องอริยสัจสี่ที่จะให้เห็นได้เห็นอริยสัจสี่ที่มีอยู่ในใจของเรา ว่าตอนนี้มันไปในทางทุกขสมุทัยหรือมันไปทางมากกับนิโรธถ้ามันไปทางทุกขกับสมุทัยต้องเดึงมันกลับมาให้มันเข้าสู่ทางมากกับนิโรธเท่านั้นเองขอรับอย่างมีพระนั่งกรรมฐานอยู่นี่ส่งดอกบัวแล้วมีแสงสว่างอยู่ข้างในดอกบัวส่งมาให้ตัวกับผมเนี่ขอรับไม่สาคัญของพวกนี้อย่าไปสนใจอมันเป็นมายาภาพลวง มันไม่เป็นมรรคเป็นผลแล้วมันจะทำให้เราหลงทางได้อย่าไปสนใจมันไม่ใช่เป็นมรรคเป็นผลมรรคผลต้องเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนีโรธเห็นมรรคเท่านั้นครับผมกราบขอพระคุณพระอาจารย์ครับอมาคำหาต่อไปต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากมีผู้ฝากถาม กรณีที่เราไปร่วมงานบุญพิธีหล่อพระแล้วพรามได้ให้ทองหล่อพระที่ไหลามาจากการหล่อให้เรานําไปบูชานั้นและเราได้รับมาคําถามข้อแรกการที่เรารับของมานี้ผิดหรือไม่คะถ้าเป็นของที่สุดเจริญไม่มีทอดเขาให้มาด้วยความสุดเจริญใจก็ไม่มีความผิดตรงไหนถามต่อว่าและหากเราต้องการ นำไปคืนต้องคืนวัดเดิมหรือไม่และต้องคืนกับพระสงฆ์หรือถวายแด่พระพุทธด้วยตัวเองได้หรือไม่ค ะ, ะคำว่าคืนก็ต้องไปคืนคนที่เขาให้เราสิไปคืนกับใครนะคำถามต่อไปจากคุณวาสนาขั้นตอนเริ่มต้นที่จะสอนลูกซึ่งมีอายุหกขวบให้รู้จากการทำบุญในสาในศาสนาพุทธมีขั้นตอนอย่างไรคะก็ให้แม่พาทาบุญไงให้แม่ เตรียมตักบาตรทุกวันแล้วถึงเวลาตักบาตรก็ให้ลูกมาตักบาตรด้วยกันจนกว่าลูกจะทําเองได้ก็ให้ลูก ท, ท, ทนนําต่อทําแทนแม่ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณกิตสติเป็นสังขารที่จิตสร้างขึ้นใช่ไหมครับจากที่ภาวนาและสังเกตดูเมื่อมีสติรู้อยู่จิตก็จับที่ตัวรู้แต่เมื่อเผลอจิตก็จะวิ่งไปมาอยู่สติไม่ใช่เกิดจากสังขาร สติเกิดจากการเกิดจากการตั้งจิตตั้งใจของใจสังขารเป็นความคิดตรงแต่งความคิดตรงแต่งนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดสติหรือไม่มีสติสตินี้เกิดจากความตั้งใจที่จะให้ใจทำอะไรกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกิดสติขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณวล า, านันถ้าทุกสิ่งเป็นของชั่วคราว กายก็ของชั่วคราวตัวโยมชื่อโยมก็เป็นสิ่งชั่วคราวยืมมาแล้วก็ต้องคืนทั้งนั้นแล้วโยมคือใครคะก็โยมก็คือใจไงใจเต็มเพลงแต่ว่ายมไม่รู้จักใจไม่รู้จักตัวเองเพราะมีกระจกสองใจมีเห็นแต่ร่างกายตั้งแต่เกิดมาออกจากท้องแม่มาก็เห็นแต่ร่างกายไม่เห็นก็ไม่เคยเห็นตัวของตัวเองถ้าอยากจะเห็นตัวเองก็ต้องนั่งสมาธิ เวลนั่งสมาธิใจสงบร่างกายก็จะหายไปแล้วเหลือแต่ผู้รู้คือใจนี้ก็จะรู้ว่านี่คือตัวตัวเราเองคำถามต่อไปจากคุณศิริ น, นันเรื่องที่เอาคำสอนของพระอาจารย์มาแนะนำเพื่อนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ โดยเอามาใช้แบบทางโลกไม่ให้ผีสีลห้าแต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องไหมสามีเพื่อนนอกใจทำให้เพื่อนคิดทำร้ายหญิงผู้เป็นกิ๊กก็เลยช่วยกันห้ามแนะนำไปว่าไม่มีเครื่องผูกชายได้ดีไปกว่าการมคุณห้าให้ใช้ลูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผูกเขาไม่ใช่ไปทำร้ายหญิงที่เป็นกิ๊ก ทีนี้พระอาจารย์เคยสอนแต่ให้ละแต่หนูกลับไปสอนให้ผูกกลัวตัวเองใช้คําสอนผิดทางเจ้าค่ะรบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนําเจ้าค่ะถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปสอนคนอื่นถ้าเรายังไม่รู้วิธีแก้ปัญหาก็อย่าไปสอนคนอื่นแก้ปัญหาเราเพราะว่าแทนที่จะแก้ปัญหาอาจจะไปสร้างปัญหาขึ้นมาแทนที่ก็ได้ไม่ต้องไปอายถ้าบอกเขาว่าเราไม่รู้ เราอยากไปอยากช่วยเขาในเมื่อเราอย่างช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนเวลาคนจะจมน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นเราอย่า ก, กระโดดลงไปช่วยเขาเดี๋ยวจะจมด้วยกันไปทั้งคู่นะดังนั้นก่อนที่เราจะทำจะช่วยใครเราต้องดูความสามารถของเราก่อนว่าเราช่วยเขาได้หรือเปล่าเราช่วยอย่างถูกต้องหรือไม่ถ้าช่วยแล้วแทนที่จะทำให้ ปัญหาหายไปกับเพิ่มปัญหาขึ้นมาก็ไม่ควรที่จะช่วยคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟภาวนาแล้วเกิดความรู้เห็นตัวเองนอนในโลงศพเห็นต ร, ตรงส่วนท้องมือกลุมแบบเดินจงกลมชั่วขนาดหนึ่งแต่จำที่พระอาจารย์ตอบปัญหาคนอื่นว่าให้เผาก็พยายามคิดให้เผาก็เผ า, ยามไม่ติดครับ เลยคิดเลยเลิกคิดว่าไม่มีบุญแล้วนั่งภาวนาต่อไม่ทราบว่าถูกผิดอย่างไรกราพระจารย์เมตตาสอนอุบายด้วยครับถ้ายังไม่สามารถที่จะกําหนดเ อ, อภาพของการเผาศพได้ก็ให้นึกถึงภาพที่เราเห็นที่เรานอนอยู่ในโรงศพไปก่อนก็ได้ดูไปเรื่อยๆก่อนดูทั้งในขณะที่เรานั่งสมาธิและขณะที่เราออกจากสมาธิมา ดูได้ทั้งวันทั้งคืนเลยยกเว้นเวลาราวดับให้นึกถึงภาพที่เรานอนอยู่ในโลงสมเพราะมันเป็นการเจริญรนราณสติมันจะทาให้เรายับยั้งความโลภความโกรธความอยากต่างๆไปได้ในระดับหนึ่ ง, งนั้นพยายามทาไปก่อนจนกว่าเราจะสติเราจะมีกำลังมากพอที่จะกาหนดเผาร่างกายได้เราค่อยกาหนดเผาต่อไปคำถามต่อไปจากคุณคชชัย ข้อแรกเมตตาบารมีการสละชีวิตเพื่อคนที่เรารักกับสละชีวิตเพื่อคนที่เราไม่รกักหรือไม่รู้จกักระดับความเ ข, เข้มข้นของการสะสมต่างกันแค่ไหนครับถ้าสละให้กับคนที่เรารักมันก็ง่ายกว่าสละให้กับคนที่เราไม่รักดังนั้นถ้าเราสละให้กับคนที่เราไม่รักได้ก็แสดงว่าเราทำข้อสอบที่ยากมากกว่า ได้ก็คือแสดงว่าพลังของเมตตาเรามากกว่าเพราะการสละอะไรให้กับคนที่เรารักนี่มันง่ายสละให้กับคนที่เราไม่รักนี่มันยากยิ่งถ้าสละให้กับคนที่เราเกลียดได้ยิ่งยากใหญ่แต่ถ้าเราสละได้ก็แสดงว่าเรามีกำลังเมตตามากดังนั้น ถ, ถ้าอยากจะได้ทำมากๆอยากจะได้เมตตามากๆ ก็ต้องสละให้กับคนที่เราไม่รักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้สละกับคนที่เรารักคือให้สละกับทุกคนอย่างที่พระเจ้าทรงสอนในบทแผนเมตตาว่าสัพเพสัตตาคือให้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายคนที่เรารู้จักคนที่เรารักหรือคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่รัก ด้วยคนที่เราเกลียดขอให้เราแผ่เมตตาให้ทั่วถึงให้เท่าเทียมกันข้อที่สองคู่บารมีเช่นพระนางพิมพาเป็นคู่บารมีของพระโพธิสัตว์หากพระโพธิสัตว์ตกนรก ก็จะตามลงนรกหรือไม่ขึ้นสวรรค์ก็ตามขึ้นสวรรค์เป็นมนุษย์ก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ถูกต้องหรือไม่ตามไปทุกที่หรือมีปัจจัยใดๆไหมที่ไม่สามารถตามได้ครับคือท่านแสดงไว้ว่าการที่บุคคลสองคนจะไปเกิดพบกันในแต่ละพบแต่ละชาตินี้อยู่ที่การทำบุญทำบาปเท่าๆกัน ถ้าทำบุญเท่าๆกันเวลารับผลบุญก็จะได้รับพร้อมๆกันถ้าทำบาปเท่ากันเวลารับผลบาปก็จะไปรับผลบาปเท่ากันเหมือนกับเวลาที่คนสองคนขับรถสองคันเดินทางไปถ้ารถทั้งสองคันอยู่ในความเร็วระดับเดียวกันมันก็จะไปพร้อมกันได้แต่ถ้าเกิดคันหนึ่งเร็วกว่าคันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องห่างกันที่จะไปไม่ไม่ไม่ได้ไปคู่กันได้ ดังนั้นตามหลักที่ได้ยินมาก็คือถ้าอยากจะไปพบกันพบต่อไปก็ต้องทําบุญพร้อมๆกันเท่าๆกันหรือทําบาป ก, ก็ต้องทําพร้อมๆกันเท่าๆกัน <c oughs> <c oughs> แต่คนที่เขาตั้งใจทําบุญเขาคงไม่ทําบาป ก, กันค่ะคําถามต่อไปจากคุณนิกกี้ปัญญาเป็นสิ่งที่จิตมีอยู่แล้ว แต่เนื่องจากจิตเรายังไม่สว่างถูกอวิชชาครอบอยู่จึงมองไม่เห็นเราจะเรินสมาธิเพื่อขัดเกลาอาวิชชาออกเพื่อมองเห็นสิ่งที่มีอยู่หรือว่าปัญญาเป็นสิ่งที่จิตต้องแสวงหาและสร้างขึ้นโดยการจเจริญวิปัสสนาหากเป็นอย่างหลังแสดงว่าแต่ละคนก็มีพื้นฐานทางปัญญาไม่เท่ากัน แล้วทำอย่างไรจรึงจะเจริญปัญญาได้ผลมากและเร็วคะการเจริญปัญญาพระเจ้าก็ทรงสอนว่ามีอยู่สามระดับอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าภาวนาอสุตมะยปัญญาคือการเจริญปัญญาด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังความรู้ของผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วนี่ก็เรียกว่า การเกิดปัญญาขึ้นมาในระดับหนึ่งคือได้รู้อย่างวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมก็ได้รู้เรื่องราวเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของเราเรื่องวิธีดับทุกข์วิธีสร้างความถูกให้กับใจของเราอันนี้ก็เป็นปัญญาแนละ้วขั้นที่หนึ่งแต่ปัญญาขั้นนี้ยังไม่สามารถทำให้เกิดผลขึ้นมาได้เพราะเป็นปัญญาเบิกทางเท่านั้นเองขั้นที่สองก็คือเราต้องเดินเดินเดินตามทางที่ปัญญานี้เบิก ทางให้เราคือเราต้องเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้มาค่ายควรมาพิจารณาอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้หลืมเพื่อไม่ให้หลงขั้นที่สองนี้ท่านเรียกว่าจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดค่ายควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองอย่างพระเจ้าทรงสอนว่าให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เนืองเนืองเนี่ยถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองเนืองมันก็จะเป็นปัญญาที่พร้อมที่จะ ใช้งานได้ปัญญานี้เป็นเหมือนอาวุธเวลาที่เราเป็นทหารหรือเป็นตำรวจถ้าเราออกไปปฏิบัติการถ้าเราไม่มีอาวุธอยู่ใกล้ตัวเราพอถึงเวลาจะใช้มันไม่มีใช้ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากธรรมะนี่เหมือนกับจากการฟังธรรมนี่เหมือนกับการได้รับอาวุธมาจากผู้บังคับบัญชาแต่เราไม่เอาบางพวกติดตัวเราเอาไว้ที่บ้าน พอเราออกไปปฏิบัติการพอจะใช้อาวุธก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้อาวุธติดตัวไปด้วยถ้าอยากจะมีอาวุธติดตัวไปเราก็ต้องพิจารณาต้องพิ จ, พจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้พอเกิดความแก่เจ็บตายขึ้นมาก็จะไม่ตกใจไม่กลัวเพราะปัญญาจะบอกว่าไม่มเป็นเรื่องธรรมดา ไอ้ที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายมันก็จะหายกลัวมันก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาขั้นที่สามคือเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาตอนต้นเราก็คิดเตรียมตัวไว้ก่อนเรียกว่าจินตามยภาัญญาว่าเราเกิดมาเราต้องต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆซ้อมอยู่เรื่อยๆพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเหลือเจ็ดวันเจ็ดเดือนทีนี้ก็ เข้าห้องสอบแล้วถ้ามีปัญญาก็จะเฉยก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแล้วข้ามมันไม่ได้แล้วจะให้ทำอย่างไรก็ต้องทำใจทำใจก็ทำใจเฉยๆเฉยๆก็ไม่ถูกใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ด้วยปัญญาก็ณีขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามายาปัญญาปัญญาที่ใช้กับเหตุการณ์จริง เวลาเราคิดลวงหน้าไว้ก่อนนี้เป็นการสมมุติเป็นการซ้อมซ้อมลบไว้ก่อนเวลาทหารเขาจะซ้อมลบนี้ก็ซ้อมกันไว้ก่อนไม่ใช่อาวุธจริงแต่พอเวลาเข้าสงครามจริงๆตอนนั้นเขาต้องใช้อาวุธจริงปัญญาจึงมีสามระดับด้วยกันระดับแรกก็คือสุตตมยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาได้อ่านหนังสือธรรมะตาม่างๆ ปัญญาขั้นที่สองก็คือเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านมาค่ายควรอยู่เรื่อยๆให้มันไม่หลงไม่ลืมให้มันติดอยู่กับใจเราตลอดเวลาปัญญาขั้นที่สามก็คือเวลาเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาที่เราได้เรียนรู้นี้มาดับความทุกข์ได้เลยเรียกว่าภาวนามัยปัญญาวันนี้พวกเราก็มาเจริญปัญญาขั้นแรกกันขั้นเบิกทางก็คือ สุดตม่มยะปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมขั้นต่อไปถ้าอยากจะรักษาปัญญานี้ไว้ก็ต้องเอาไปพิจารณาถ้ายัางถ้าจำไม่ได้ก็เปิดเปิดซีดีฟังได้เปิด y o u t u ู e ฟังได้มีสมัยนี้สบายเพียแต่เรา ม, มักจะขี้เกียจกันฟังหนเดียวแล้วก็พอเราก็ไม่มาค่อยๆกวนกันแล้วเดี๋ยวก็ลืมไปอาทิตย์หน้าก็มาถามปัญหาอันเดิมอีก ต้องออกไปคข้ควรพิจารณาอยู่เนืองๆเรียกว่าจินตาเมย์ปัญญาเมื่อมีกินตาเมย์ปัญญาแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็ใช้ภาวนามย์ปัญญาได้จะเป็นภาวนามย์ปัญญาต้องมีสมาธิสนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีแรงไม่มีแรงสู้กับตัณหาความอยากที่สร้างความทุกข์ได้ยิ่งนอกจากการฟังธรรมแล้วต้องไปภาวนาด้วยต้องไปเจริญสมถะภาวนา มาเจริญสมถะภาวานาแล้วก็มาเจริญวิปัสนามาไข้กวนอยู่เรื่อยๆสลับกันไปสลับกันมาระวังสมถะกวิปัสนาจนกว่าเราจะไปเจอข้อสอบก็ดูว่าผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับมาเจริญสมถะภาวานาวิปัสนาภาวนาใหม่เหมือนเด็กสอบตกต้องมาทําการบ้านใหม่มาดูหนังสือใหม่มาติวใหม่แล้วก็รอสอบรอบต่อไปใหม่ ก็นี่ก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาก็ต้องเป็นแบบนี้หมดคำถามจากทางบ้านค่ ะ, ะก็ดี <laughs> มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเออเรื่องเรื่องหนึ่งอยากจะประกาศให้ทราบคือเรื่องวันหยุดพิเศษอะไรต่างๆนี้คือไม่อยากจะประกาศว่าจะมีเทศหรือไม่มีเทศเพราะว่าจะเทศมันก็ต้องมีคนฟัง ประกาศว่าจะเทศแล้วไม่มีคนมาฟังมันก็เทศไม่ได้หรือมาฟังสองสามคนมันก็ไม่อยากจะเทศเพราะามันไม่มันไม่คุ้มเหนื่อยมันยังเปิดโรงหนังนันงนนทีมันต้องให้คนเข้ามาเต็มโรงมันจะได้คุ้มค่าน้ำค่าไฟก็ยังงั้นวันหยุดวันหยุดต่างๆที่เน่าเหนือจากวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ไม่ไม่ประกาศแต่ก็อยู่กับเหตุการณ์แต่ใครมาก็ต้องพูดอะจะพูดมากพูดน้อยเท่านั้นเอง ก็ต้องมีการพูดอยู่แต่จะบอกว่าจะให้เทศเหมือนวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่นี้ไม่ไม่กล้ารับปากอาจจะมาแค่ในศาลานี้ก็จะพูดกับเฉพาะในศาลานี้แต่เดี๋ยวพูดชั่วโมงหนึ่งก็อาจจะพูดเพียงครึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะบางทีมันมีเหตุการณ์อย่างอื่นวันธรรมวันที่ไม่ใช่เป็นเสาร์อาทิตย์บางคนมาต่างเวลากันมาถึงก็จะเข้ามาถวายของกันบางทีพูดธรรมะได้สองสามข้อก็ต้องหยุดต้อง คนใหม่เข้ามาเข้ามาก็อยากจะมาขอถวายของข้าวของ อ, อ, อะไรมันก็เลยไม่เป็นกิจลักษณะเหมือนกับกิจกรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นก็ขอประกาศว่าวันหยุดก็มาได้บ่ายสองโมงทุกวันวันไม่หยุดก็มาได้ปกติถ้าไม่มีธุรกิจก็จะมารับญาติโยมเสมอถ้าไม่มีธุรกิจหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่ามาแล้วก็แล้วแต่เหตุการณ์ จะพูดมากพูดน้อยนี่ก็อยู่กับผู้มาฟังด้วยว่ามีภาชนะมาลองรับไปได้มากได้น้อยบางคนเอาถ้วยมานิดเดียวได้เทก็ตรงเทได้ให้นิดเดียวเข้าใจนะก็ขอทําความเข้าใจอยากจะถามเหรื อ, <strategic S 1> อถามมาค่ะเรื่องของการให้ทานค่ะพาาจารเมืองที่เราทํางานมาเหนื่อยอยากเพืจะได้อเงินมาเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ทานแต่ว่า เราก็ไม่อยากให้เยอะเพราะว่ามันก็เหนื่อยพอเราทํางานมาเนี่ยค่ะเราจะคิดยังไงเพื่อที่จะให้ฐานได้ง่ายขึ้ น, นะคะ่ะก็คือเสียว่าเราจะได้ไม่ต้องทํางานไงเพราะเมื่อเรา <c oughs> เมื่อเราไม่ต้องใช้เงินต่อไปเราก็ไม่ต้องทําทานไม่ต้องหาเงินที่ทําให้ทําทานเพื่อที่เราจะได้เลิกใช้เงินอย่าใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆเช่นเนี่ยหยุดช่วงสงการนี้ถ้าไปเที่ยวต่างประเทศก็หมดไปหลายหมื่นนถ้าเอาเงินหลายหมื่นนี่มาทําทานซิต่อไปก็ไม่ต้องอยากเที่ยว เมื่อไม่อยากเที่ยวก็ไม่ต <t> ้องใช้เงินเมื่อไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องหาเงินก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาเงินต้องคิดกันว่าเป็นประโยชน์นะการที่เราทําทานไปนี่เราจะได้ไม่ต้องใช้เงินแล้วเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินอย่างนั้นใช้ให้มันหมดไปเลยเก็บไว้เท่าที่จําเป็นก็พอแล้วต่อไปจะได้เลิกทํางานได้ทําไปทําไมทํามาแล้วก็ต้องใช้มันหนื่อยแล้วก็ต้องมาใช้มันแล้วใช้เรากลับเป็นโทษใช้เป็น ใช้ไปเพื่อสะสมกิเลสปัญหาแทนที่ความทุกข์มันจะน้อยลงมันก็กลับจะมากขึ้นอีกนอันนี้ในเรื่องของการรักษาสีนะคะอย่างสีข้อแรกอย่างสัตว์บางชนิดเนะะี่ยค่ะมันก็เหมือนจะทำร้ายเราอย่างเช่นยุงกัดเนี่ยมันมันก็เจ็บค่ะพาจารบางทีก็ไม่อยากให้มันกัดเนี่ยะคะ่ะเพราะว่ามันก็จะเจ็บแล้วก็ลาคาญเราจะต้องคิดยังไงดีคะ่ะอาจาย์ก็คิดว่าเวลาฉีดยามันเจ็บกว่านี้เรายังทนได้เลย แล้วมันมันเจ็บแค่นี้จะเป็นอย่างไรแล้วเรลองคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเขาเป็นเราจะเป็นอย่างไรเขาก็ต้องดิ้นรนต่อสูอ้เพื่อประทังชีวิตของเขาการที่เราให้เขากัดเรามันก็เป็ น, เ ป, นเป็นทานอย่างหนึ่งอคิดว่าเป็นการทําทานอย่างหนึ่งหมาเรายังเลี้ยงได้เลยวัวสาวแม่หาข้าวหาเกลอไม้ให้มันกินได้แล้วยุงเราทำไมจะเลี้ยงมันไม่ได้ ก, กับสัตรูค่ะพระอาจารย์ไม่มีการอยากจะถามเลยน ะ, ะถ้าไม่มีก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด